ก่อนสอนผู้อื่นพระพุทธภาสิทธอัตานเมวะปะธมังปฏิรูปเปนิเวสเยอทัญยะมนุซาเซยะมักิลิเซยะปันดิโตแปลความว่าบัณฑิตตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรคืออันเหมาะสมก่อนแล้วสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้าหมองอธิบายความโดยธรรมดาการสอนให้คนอื่นทำนั้นเป็นเรื่องง่าย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 สงบได้ขยันมันเพียนได้แม้จะไม่เคยเอ่ยปากสอนใครให้ทําเช่นนั้นคนทั้งหลายก็มองดูด้วยความนิยมชมชอบและมักจะเอ่ยปากถามเมื่อมีโอกาสว่าทําอย่างไรจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นพระที่สํารวมอยู่ในสิกขาวินัยอย่างเคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสมาธิจิตสูงแม้จะไม่สอนใครเพื่อความเป็นเช่นนั้นคนทั้งหลายก็นิยมเลื่อมใสและอยากทําตามแต่พระที่ดีแต่พูดเป็นธรรมะกระถึกเอก ปฏิบัติอะไรไม่ได้อาจได้รับคํำชมเหมือนกันว่าพูดดีพูดเก่งแต่จะไม่มีใครเลื่อมสายจริงจังเลยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพื่อไม่ให้สมองด้วยการถูกหัวเราะยาะและถูกตำหนิตีเตียนบัณฑิตจึงควรตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในคุณอันนั้นภายหลังไม่เป็นภัยแก่ตนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นการสอนผู้อื่นในคุณที่ตนมีแม้จะสอนซ้ซําๆำ ซ, ซาก แต่คนทั้งหลายฟังแล้วก็สาบซึ่งดีเพราะรู้สึกว่ามันออกมาจากใจของผู้สอนส่วนคำสอนอันวิจิตพิสดารแพลว่าได้เหตุผลแต่ผู้สอนไม่ได้มีคุณเช่นนั้นผู้ฟังย่อมไม่เชื่อถือและไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติตามลองคิดดูเถิดถ้าคนเป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งยืนพนานาถึงคุณภาพของยาและวิธีรักษาโรคเรื้อนให้หายขาดได้ท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรถ้ามันดีจริง ฉนันผู้นั้นจึงไม่จัดการรักษาโรคเลือนของตนให้หายขาดซะก่อนหรือเป็นแต่เพียงผู้โฆษณาขายยาแต่ไม่เคยลองใช้ด้วยตนเองเลย ท, ท, ทั้งๆที่ตนก็เป็นโรคนั้นอยู่น่าสลดใจหรือไม่บางคนสอนให้คนอื่นเลิกโรคเลิกโกรธเลิกหลงแต่ตนเองยังเต็มอยู่ด้วยความโลคความโกรธความหลงจนล้นออกมาให้เห็นกันชัดๆอยู่ข้างนอกน่าสลดใจเพียงใด ถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าคนบางพวกที่เพียบแปรไปด้วยราคะโทสะและโมหะและโลภโกรธห ล, ลงแล้วยังชักชวนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนสุนัขหางด้วนและชวนเพื่อนๆให้ไปตัดหางเสียด้วยอย่างนี้มีโทษสองสามสามซ้อนพ่อบางคนเป็นโจรแต่พนานาโทษแห่งความเป็นโจรให้ลูกฟังก็ยังดีกว่าชักชวนลูกให้เป็นโจรเสรียด้วยทางที่ดีกว่านั้นคือเลิกความเป็นโจรด้วยตนเองเสียด้วย และพนานาโทษแห่งความเป็นชวนให้ลูกฟังด้วยจริงอยู่บางอย่างผู้ใหญ่ทําแต่ห้ามเด็กไม่ให้ทํานั่นเพราะเกี่ยวกับการเวลาความเหมาะสมของวัยตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่ดื่มเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างแต่พอลูกซึ่งอายุอย่างน้อยจะทําอย่างนั้นบ้างพ่อก็ไม่ยอมให้ทําอย่างนี้เพราะวัยจากัดไว้หากลูกมีวัยสมควรพ่อแม่ก็คงไม่ห้ามอีกตัวอย่างหนึ่งคือการแต่งงาน พ่อแม่แต่งงานได้จนมีลูกสามสี่คนแต่พอลูกจะแต่งงานบ้างพ่อแม่ก็ห้ามไว้เพราะลูกเพิ่งอายุได้สิบสองสิบสามปียังไม่สมควรก่อนถ้าลูกอยู่ในวัยอันสมควรจบการศึกษาแล้วพ่อแม่ยอมไม่ห้ามแน่นอนธรรมดาพ่อแม่ยอมปรารถนาให้ลูกเป็นหลักเป็นฐานเป็นฝั่งเป็นฝาไม่มีพ่อแม่คนใดริษยาลูกหรือไม่อยากให้ลูกได้ดีมีสุขโดยทั่วไปกฎของโรงเรียนห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ แต่ครูสูบได้นักเรียนอาจสงสัยว่าเมื่อห้ามนักเรียนสูบทำไมครูจึงสูบได้อย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเพราะสถานะจากัดไว้เมื่อใดนักเรียนอยู่ในสถานะเดียวกับครูนักเรียนย่อมทำได้เหมือนกันบางอย่างจากัดไว้เฉพาะผู้หญิงคือชายทาได้แต่หญิงทาไม่ได้หญิงทาเข้าถูกติเตียนไม่เหมาะกับเพศหญิงอย่างนี้สังคมและเพศจากัดไว้ตัวอย่างเช่น การนั่งดื่มเหล้าคนเดียวในที่สาธารณะเช่นร้านอาหารเป็นต้นชายย่อมทำได้แต่สังคมไทยยังไม่นิยมชมชอบถ้าหญิงจะทำอย่างนั้นบ้างรวงความว่าการทำได้อย่างที่สอนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องดีแต่มีข้อยกเว้นอยู่บ้างดังที่กล่าวมาเพื่อให้เหมาะสมแก่ฐานะเพศและวัยตลอดถึงศักดิ์แห่งตนบางอย่างคราว่าทำได้แต่พระทำไม่ได้ถ้าพระทำได้ทุกอย่างที่คราว่าทำ พระก็ไม่เป็นพระถ้าจะขืนเป็นให้ได้ก็เป็นเพียงศักแต่ว่าพระแต่เปลือกคือมีเครื่องหมายของพระเช่นสบงจีวรโกนหัวเป็นต้นหาเป็นพระโดยความหมายแท้จริงไม่พระที่สอนให้คนอื่นเสียสะละละความโลภแล้วสะสมรวบรวมปจัจจัยนั่นเองจนร่ำรวยนั้นมีอยู่ไม่น้อยอย่างน้อยที่สุดก็พระอุปนันต์สากยบุตรองค์หนึ่งละดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระอุปนันต์สากยบุตร เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันพระอุปนัน์เป็นผู้ฉลาดในการกล่าวธรรมกถาโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ประกอบด้วยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นต้นภิกษุหลายรูปฟังธรรมกถาของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสอยากปฏิบัติตามจึงบูชาท่านด้วยบริขารมีสมงจีวรเป็นต้นและสมาทานทุดงพระอุปนัน์ รับเอาของเหล่านั้นที่ภิกษุทั้งหลายสละแล้วไว้แต่ผู้เดียวระยะหนึ่งจนคขบพรรษาพระอุปนันที่วไปในชนบทภิกษุสามนเณรในอาวาสหนึ่งมีความรักในความเป็นธรรมคตะถือของท่านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จาพรรษาในอาวาสนั้นท่านถามว่าในวัดนี้พระได้ผ้าจำนำพรรษากี่ผืนได้ภ้าสาโกองค์ละผืนครับพระตอบพระอุปนันท์วางรองเท้าไว้นวัดนั้น พอเป็นเครื <It feels S 1> ่องหมายว่าท่านอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นแล้วไปยังวัดที่สองทราบว่าในอาวาสที่สองนั้นพิสูจน์ทั้งหลายได้ผ่าจำนําพรรษาสองผืนจึงวางไม้ท้าไว้แล้วไปยังอาวาสที่สามทราบว่าพิสูจทั้งหลายได้ผาจำนำพรรษาสามผืนจึงวางลักกรจันน้ำไว้แล้วไปยังอาวาสที่สี่เมื่อทราบว่าในอาวาสนั้นพิสูจทั้งหลายได้ผาจำนำพรรษาสี่ผืนก็ตกลงใจอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้น ในภาษาตั้งแต่วันเข้าภาษาทีเดียวพระอุปนันต์กล่าวธรรมกถาอันปฏิสังยุต์ด้วยความมักน้อยสันโดเป็นต้นให้ภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเลื่อมใสแล้วถวายปัจจัยมีจีวรเป็นต้นแก่ตนเป็นอันมากเมื่อวันออกภาษามาถึงพระอุปนันต์สรงข่าวไป ย, ยังวัดต่างๆที่ท่านวางบริการไว้ว่าขอให้ส่งผ้าจํานำภาษาไปให้ท่านท่านมีสิทธิ์รับผ้าจํานำภาษานั้นเพราะท่านวางบริขารไว้ เจ้าอาวาสในวัดต่างๆทั้งสาวัดได้ส่งผ้าจำนวนภาษามาถวายพระอุปนันต์รวมกันที่ท่านได้ในวัดที่อยู่จำภาษาอีกจึงเป็นบริขารจำนวนมากพระอุปนันต์รวบรวมบริขารต่างๆเป็นอำนมากนั้นบรรทุกใส่ยาน้อยแล้วขับไปไปเจอภิกษุหนุนสองรูปซึ่งได้ผ้าสาดุกมาสองผืนผ้ากำพลผืนหนึ่งไม่สามารถแบ่งกันได้นั่งเถียงกันอยู่เธอทั้งสองเห็นพระอุปนันต์จึงขอร้องให้ช่วยตัดสิน พวกคุณแบ่งกันเองเถิดผมไม่เกี่ยวพระอุปนันท์วางท่าว่าไม่สนใจพวกผมนั่งแบ่งกันอยู่นานแล้วครับไม่สําเร็จท่านช่วยเถิดพิสูจนทั้งสองวิงวอนพวกคุณต้องเชื่อผมนะเชื่อแน่ครับท่านถ้าอย่างนั้นดีแล้วพระอุปนันท์กล่าวยิ้มอยู่ในหน้าผมจะตัดสินให้ยุติธรรมพวกคุณสองคนแบ่งผ้าสาโดกกันคนละผืนส่วนผ้ากําพลมีอยู่ผืนเดียวให้ผมพูดตัดสินว่าแล้วพระอุปนันท์ก็ถือเอาผ้ากําพลไป ภิกษุทั้งสองรูปยืนอ้าปากค้างไปตามกันแล้วพากันไปฝ่าพระาศาสดากล่าวทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบชาวพระองค์ตรัสว่าพระอุปนันท์ทำให้พวกเธอทั้งสองเดือดร้อนเพียงในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยทํามาแล้วเหมือนกันทรงนําอดีตกรรมของพระอุปนันท์มาเล่าว่าในอดีตการมีนาคสองตัวตัวหนึ่งหากินในน้ําตื้นแถบริมฝั่งอีกตัวหนึ่งหากินในน้ําลึกทั้งสองสัญญากันว่า ใครได้ปลาอะไรก็ตามต้องนํามาแบ่งกันวันหนึ่งน้าตัวที่หากินในน้าลึกได้ปลาทะเพียนตัวใหญ่มาตัวหนึ่งแต่ไม่สามารถแบ่งกันได้เพราะต่างก็แย่งท่อนหัวกันบังเอิญเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินมาจึงขอร้องให้สุนัขจิ้งจอกช่วยแบ่งให้เราพระราชาตั้งไว้ณนะตําแหน่งผู้พิพากษาสุนัขจิ้งจอกโมเรานั่งวินิจฉัยคดีมามากเมื่อยจึงเที่ยวออกเดินเล่นเราไม่มีเวลาพอจะตัดสินเรื่องของท่าน โมยอย่างนี้เระก็รายไหนรายนั้นขี้โกงหลอกลวงอาสัตว์เอารัดเอาเปรียบตลบตะแลงปิ้นพรอนสารพัดอย่างนาคสองตัวรู้ไม่ทันเลขเลี่ยมของหมาจิ้งจอกจึงอ้อนวอนขอให้ช่วยตัดสินแบ่งปลาถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องเชื่อเมื่อเราตัดสินอย่างใดต้องเป็นไปอย่างนั้นอุทธรไม่ได้ตกลงไหมตกลงนาคสองตัวตอบพร้อมขันหลแล้วหมาจิ้งจอกก็จะแจงแบ่งท่อนหัวให้นาคท่อนหนึ่งท่อนหางให้อีกตัวหนึ่ง ส่วนท่อนกลางมีเนื้อมากหมาจิ้งจอกเอาเสเองในฐานะผู้ตัดสินท่อนหางได้นากน้ําตื้นท่อนหัวได้นากน้ําลึกการเป็นความกันข้ออย่างนี้แหละพระศาสดานําเรื่องในอดีตมาตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าแม้ในอดีตการพระอุปนันต์ก็ได้ทําให้เธอทั้งสองเดือดร้อนมาแล้วพระสถากตเจ้าทรงทรีเทียนพระอุปนันต์เป็นอันมากแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาผู้จะสอนผู้อื่น ควรตั้งตอนอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปัณฑิตพึงตั้ง ต, งตนไว้ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้าหมองมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุสองรูปนั้นดำรงอยู่ในโสดาปติผล